ถ้าขยับเยื่นอยู่เสียงบดังปองแปงปงแปงแล้วก็อยากจะบอกกล่าวพวกพี่น้องชาวบ้านลูกหลานถ้าผู้ใดไม่มีธุระกลับบ้านรีบเร่งเกินไปนะก็อยากจะให้ช่วยช่วยกันล้างถ้วยล้างชามเพราะการล้างถ้วยล้างชามของฝ่ายทางครูนั่นก็เป็นเรื่องภาระหนักเพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องชาวบ้านที่มา ชั่วร่วมจังหันจะอยู่ในหมู่บ้านของเราที่ไม่รีบเร่งเกินไปอยากจะให้ลูกหลานช่วยๆกันเนะวัด ว, ดวดาศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดมันเป็นของพวกเราทุกคนถ้าหากว่านักผู้ใดผู้หนึ่งก็ไม่ดีนะไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายล่ะผู้ชายก็เหมือนกันพอที่จะไปช่วยช่วยยกช่วยอะไรก็ให้ช่วยยก พอให้ตู้บี้ยกคนเดียวไม่ไหวนะขาเป๋ขาเคอยู่นั่นอะ่ะพวกเราต้องช่วยๆกันนะตัวไหน ห, หนักตัวไหนเบาก็พวกเราเนี่มาศึกษาธรรมะมาสู่วัดแล้วควรจะรู้จักว่าอันไหนหนักไม่ใช่ว่าหนักก็โยนให้เขาไปตัวเองก็ลอยนวลไปมันไม่ถูกนะลูกหลานนะช่วยๆกันคิดนะวันนี้เป็นวันที่สิบ วันอาทิตย์ที่10กันยายนพุทธศักราช2 5 6พหาหลวงพ่อก่อนอื่นหลวงพ่ออยากจะแจ้งข่าวเรื่องกรถินวัดของเราเพราะว่าบางศรัทธาญาติโยมบางหมู่บางคณะก็คงจะจะสงสัยว่ากรถินวัดป่านาคำน้อยอเมื่อไรแล้วก็กระถินวัดป่าบ้านตาดก็รู้แล้วว่าเป็นวันที่เจ ตุลาคมพุทธศักราช2560พอออกพรรษาและอาทิตย์แรกกระอดกระถินเป็นวันเสาร์นะวันที่เจ็ดเป็นวันเสาร์ตามปกติก็เมื่อทอดกระถินวัดป่าบ้านตาดแล้ววันอาทิตย์ถัดไปก็เป็นวัดต่างๆพวกเราปฏิบัติมาแต่สมัยองค์หลวงตา ย, ยัง สงทาสขันอยู่พอทอดกรถินหลวงตาวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นวัดสาขาไปแคบ้บอกศรัทธา ญ, ญาติโยมมาทอดกรถิน่นวัดหลวงตาเสร็จแล้วก็แต่กระจายเป็นลูกกระจายไปใครนับถือเริ่มสายใครมีเกี่ยวใครเกี่ยวข้องวัดไหนที่จะไปทอดกรถินวัดไหนก็แจกกระจายกันไปทอดกรถินตามวัดต่างๆ แต่วันอาทิตย์ที่ไปว่าเป็นวันที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายสำหรับกลุ่มลูกศิษย์ของวงหลวงตาแต่บัดนี้ก็คงจะลักษณะเดียวกันพอมาทอดกรินที่วัดป่าบ้านตาดวันเสาร์วันอาทิตย์ก็คงจะไปทอดวัดต่างๆแต่ปีนี้เรพกวัดของเรานะวัดป่านาคำน้อยของเราเนี่แปลกแหวกออกมาเป็นวันที่สิบห้าเป็นอวัน ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2560เป็นวันทอดกะถิน่นแต่ก็วงเล็บถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบกระชั้นชิดนะแต่ว่าเรากะไว้วันที่15เป็นวันทอดกะถินวัดป่านาคำน้อยของเราพระ น, นขปอก ขอประกาศบอกกล่าวให้กับพวกเราเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์มจวนแล้วนะพวกเราควรจะได้รับรู้รับทราบการเตรียมตัวการเดินทางการจองเครื่องผู้ที่จะมาทางไกลก็ควรจะเตรียมไว้แต่เนิ่นๆวันนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะแต่กฐินวัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อจะเน้นเรื่องกฐินวัดป่าบ้านตาดจําเป็น พอปีนี้พวกเราจะได้รวบรวมกันสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาแต่เซ็นสัญญาไปแล้วแหละพระเจดีย์กับพระวิหารยังไม่ได้เซ็นสัญญาคือพิพิธภัณฑ์แต่ก็คงจะใช้จะถปัจจัยพอสมควรแต่จะได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดคำนวณหรือไม่ได้สรุปแล้วก็คื อ, อยังไม่ได้เซ็นสัญญา เราจะพูดหลวงพ่อจะพูดไปก่อนก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นต้องคอยฟังแล้วก็คิดว่าอีกไม่นานเพราะว่าแบแบบแบบแปลนก็เสร็จแล้วละ่ะแต่ก็ยังขัดข้องเทคนิคบางประการที่คณะกรรมการรล้วกับผู้ออกแบบเขากำลังพูดคุยกันสนทนากันอยู่แต่หลวงพ่อก็อยู่บังฟังอยู่ข้างนอกหลวงพ่อเป็นผู้สนับสนุนนะ อยากจะให้เจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยผักงาดขึ้นมาในปัดป่าบ้านตาดเพราะสิทธิอนุสิทธิ์ทั้งหลายรลอ่ลอหลอม่เป็นหนึ่งเดียวแต่สมัยองค์หลวงตายั ง, งทรงธาตุทรงขันอยู่พวกเราก็หลังไหลเข้ามาที่วัดป่าบ้านตาดไม่ได้ไปที่อื่นเพราะฉนั้นเวล า, าจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ก็ควรจะมี ที่วัดป่าบ้านตาดพวกเราจะได้เข้าไปกราบไปไหว้ที่อื่นก็ไม่ว่ากันเอ่อที่อื่นอื่น่ต่อไปภายภาคหน้าอาจจะมีที่นาคำน้อยของเราอันนั้นคือส่วนหนึ่งค่อยว่ากันไปอกีกแต่ช่วงนี้ขณะนี้ควรจะขึ้นที่วัดป่าบ้านตัดก่อนนะอันนี้คือคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องนะเกษตคิดกันอย่างนั้นวันที่เจดตุลานะเป็นการทอด กรถินสามัคคีเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาคือเกียรติคือประวัติคือประวัติของหลวงตาธรรมเทศนาของหลวงตาเรื่องแนวของหลวงตาทั้งหมดประวัติหลวงตาตั้งแต่เกิดจนถึงวารคสุดท้ายก็จะให้เป็นประวัติให้ลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าได้อ่านได้ศึกษาถ้าจะว่าไปหลวงตาเนี่ยเป็น วีเลบุรุษท่านหนึ่งก็ไม่น่าจะผิดถ้าหาว่าแบบพูดแบบโลกๆนะเพราะเหตุไรเพราะท่านบ้านเมืองต้มยำกุ้งปี3940เ่ศพวกเราก็รู้แก่ใจถ้ารุ่นหลังต่อไปอาจจะเลาะหลงลืมเลือนลางไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้ในยุคนั้นใจ ความใจหงายเป็นทุกทรรมพอสมควรเพราะดำเนินกิจการผิดหลวงตาก็เห็นว่าประเทศชาติบ้านเมืองในช่วงนั้นปั่นป่วนพอสมควรหลวงตาได้ออกมาประกาศหาทองคำเข้าคลังหลวงเพื่อเป็นเครื่องประกันประเทศชาติจนทองได้ทองคำถึงสิบสามตันเป็นเกียรติประวัติ และใครที่จะทำได้อย่างหลวงตามีไหมในพื้นแผ่นดินไทยไม่ต้องว่าพื้นแผ่นดินไทยหรอกต้องพื้นแผ่นดินโลกแล้วก็แล้วกันใช้วาทะใช้คำพูดใช้ความโน้มน้าวใช้ความอุตสาหะวิริยะบอกกล่าวให้กับผู้คนทั้งหลายมีศรัทธาจากนั้นก็ได้นำปัจจัยนำทองคำข้อถวายท่านก็เก็บรวบรวมไว้ จากนั้นก็ได้ทองคำถึงสิสามตันในละเกียตประวัติอันสวยงามขององค์หลวงตาเพราะนั้นพวกลุกรานทั้งหลายใครอยู่ในประเทศใดในช่วงใดถ้าบ้านเมืองจะล่มจมจีพายแต่บางคนมีแต่ช่วยกันถึงช่วยกันดึงช่วยกันลากเข้ากระเป๋าของใครของเราจนประเทศชาติจะล่มจมจีพายต่อหน้าต่อตาก็ไม่ว่ากันเห็นแกตัวแต่องค์หลวงตานี่ใหม่ทันกระโดดออกมาหา ไปอิดไปปิดไปปิดรูรั่วไปอัดรูรั่วเหมือนกับประเทศชาติบ้านเมืองของเราอยู่ใน ส, สะแพรเรือสะพาใหญ่พอเรือจะแตกท่านบ้างทีก็สวยโอกาสเตรียมการไว้แล้วในเมื่อแต่เรือแตกเนี่ยเราจะเอาอะไรจากเรือเนี่ยบางคนมันวางแผนอย่างนั้นแต่หลวงตาเนี่ไม่หลวงตานี่ เมื่อเรือจะแตกมันมีทงไหนที่มันจะเสียหายหลวงตาดวูโต ด, ดเข้าไปอุดรูรั่วไม่ให้เรือเรือมันแตกอับปางจนเรือไปถึงจุดหมายปลายทางนี่แหละหลวงตากับความคิดของคนในคนในประเทศในยุคสมัยนั้น แ, แตกแตกต่างกันบางคนก็ยังเพ้อเพ้อจะติดคุกติดตารางอีกต่างหากเพราะศพฉกสวยโอกาสในบ้านเมืองจะล่มจมจีพาย แต่หลวงตาเนี่ยมีแต่เกื้อกูลนุนหลวงพ่อจึงยกว่าหลวงตาเนี่ยเป็นวีระบุรุษถ่าจะเปรียบทางโกค่ะแต่ท่านเหนือกว่าวีระบุรุษเพราะท่านได้เป็นจิตใจของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องอีต่างหากเพราะนั้นสมควรยิ่งที่จะสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ เ, เกียรติประวัติขององค์หลวงตา อ, อนุสรณ์สถานให้แก่ลูกหลานได้ รกราบได้ว่ายได้เคารพสักการะบูชาเนเพราะนั้นเรื่องเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาทัาพูดไปแล้วไม่ใช่ของเล็กน้อยนะชาทยาิโยมลูกหลานที่หลวงพ่อพูดไปนี่พวกเราพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาดุสิว่าจริงไหมหลวงพ่อเอาความจริงมาพูดมากล่าวให้ลูกหลานคณะทายาโยมได้ฟังนะแต่ก็วันนี้หลวงพ่อเองก็ทาคุญูปการ เดินตามแนวแถวองค์หลงตาเหมือนกันนะลูกกลานะไม่ใช่วัดลอยแต่บางคนหว่าวัดลอยเออจะวัดลอยอยังไง เ, เรารักษาศีลรักษาศีลกับพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรเราปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพุทธะและจะว่าวัดลอยพระพุทธเจ้าอย่างนั้นใช่ไหมถ้าไม่ใช่เทวทัศน์คิดนะถ้าเป็นบัณฑิตคิดนะ่ยเขาก็ต้องว่าเดินตามแนวแถว ปฏิปทาของพระพุทธเจ้าตามเดินนะตามแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินมาอย่างไรเราก็เดินตาม เ, เราไม่ได้ทำให้เสียหายถ้าทำเสียหายก็ที่ทำออกนอกลูก่นอกทางขายตุดขายยันขายพระ อ, อ, อย่างนั้นหลวงตามไม่เคยทำ ถ้าเราทําเข้าไปเอ อ, อ น, นั้นมันเบิกไปว่าผิดแหวกแนวอันนี้เราไม่ได้ทําอย่างนั้นเ อ, อเอาถับมีอะไรเกิดขึ้นโดยเป็นโดยศีลโดยธรรมแล้วก็ช่วยสงเคราะห์นุเคราะห์ตั้งมูลนิธิแต่ตามไม่จริงหลวงตาก็ไม่เคยนะตั้งมูลนิธินะหลวงตาในเะอนตี้มือนกัร น, นะลูกหลานนะเรื่องมูลนิธินะ่ะสมัยหนึ่งเมื่อจะตั้งมูลนิธิสเสียงธรรมเพื่อประชาชน เขาก็เข้าไปบอกว่าหลวงตาอยากจะตั้งมูลนิธเิเพื่อดูแลสถานในวิทยุเสียงธรรมหลวงตาเอ้ยเรื่องมูลนิธิในแท้เนะ่ยอย่ามายุ่งกับเรานะเราในเบื่อมูลนิธิพเพราะเหตุไรครับหลวงตานี่แหละพระอยู่ในกรุงเทพเนะีมันเสียหายกับมูลนิธินี่แหละทำไมครับเพราะมูลนิธินี่พอได้มาแลยก็บแบ่งดอกผลให้กับพระ เป็นหมูเป็นคณะพอได้เงินขึ้นมาแล้วก็ขี้เกียจบินธบาทอาศัยหมูในที่กินเพอเพอจะไปง้อญาติโยมต่างหากหัวสูงหัวใหญ่ทันวาอย่างนั้นนะพออาศัยหมูในที่กินไม่งอไค่เนี่ยเราไม่เห็นด้วยพระต้องบินทบาทอาศัยปีแข่งเดินบินทบาทบินทบาทมาฉัน เพราะนั้นเราจึงไม่ส่งเสริมเราเห็นมาแล้วมูลนิธิเพราะท่านเคยเข้าไปกรุงเทพมาใช่ก็เลยบอกโอ้ต่างกันครับหลวงตาครับมูลนิธิเสียงธรรมเนี่ย อ, อมูลนิธิเสียงธรรมเนี่ยคล้ายๆกับว่าถ้าหากว่าไม่มีมูลนิธิเนี่ยจะบริหารสถานีนวิทยุเนี่ยมันบริหารไม่ได้ต่อไปภายพระนาจะเอาเงินวัดมาบริหารเนี่ยมันผิดกฎระเบียบเขาครับมันต้องตั้งเป็นมูลนิธิ เป็นเครื่องประกันเพราะมันสถาใีวิทยุกับมันก็ต้องตามกฎหมายหมูลนิธิก็ต้องตามกฎหมายบ้านเมืองเขามันมันจึงจะได้ครับหลวงตาเออเอาถ้าเป็นอย่างนั้นก็ชุดแท้แต่ถ้ามันมันทำมีมีเหตุผลหลวงตาต้องมีเหตุผลด้วยนะพอเอาเอาเลยถ้ามีเหตุผลท่านก็พูดเพียงแค่นั้นนะแต่ไดท่ท่านกลับไม่ได้ว่าเออเอาปัจจัยของเราเงินของเราน่ะเอาให้ไปเลยนะ ท่านก็ไมา่ได้ว่าอีกสนะิเนี่ยแต่นี่ผนะ อ, ออนันต์พวกนี่แหละจะเอายังไงละ่ะหลวงพอนะ่อเนี่ยเขาก็ต้องมาหาหลวง พ, อนะงพออ่อสน่ยหลวงพ่อเออเอาไม่เป็นไรเราจะเอาเท่าไหร่สามแสนหรือห้าแสนต่างต้านการตั้งมูลนิธนิสามแสนหรือห้าแสนนะขอสักห้าแสนจะหลวงพออ่อเออเ อ, อ, เ อ, อ, อเอาเอาหลวงพ่อหนึ่งแสนหนึ่งจากนั้นก็ไปขอกับท้าแก้กุกหงษ์แสนหนึ่ง เสรีธรรมแสนหนึ่งต้อแกส่สมหมายแสนหนึ่งสี่แสนแล้วใช่ไหมมีท่านเจ้าคุณจันทร์ที่ท่านมาจากวัดเทพสิรินท่านมาพักที่นี่ผู้ท่นอาจารย์พวกกลุ่มของผมลูกศิษย์ลูกหาของผมผมขอแสนหนึ่งครับก็ได้เงินห้าแสนเลยมอบให้ก็ได้ดำเนินการจดทะเบียนอันรับรดับแรกเนะี่ยคือห้าแสนบาทเนะนี่ยนี่แหละความเป็นมาของมูลิธินะั้นลูกหลานนะ แต่ทุนนิติเป็นยังไงเนี่ยแต่ทุนนิติก่อนที่จะตั้งหมูลนิธิขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่ออจะเอาอยัางไงเพราะเป็นเงินมู่นิติเพื่อจะได้จ่าย เ, เรื่องค่าใช้จ่ายลูกตาท่านก็จ่ายอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงแต่มันเกี่ยวข้องกับท่านแต่ควรจะเป็นทุนนิติสำรองเอาไว้เพื่อเอใช้จ่ายในสถานีเมื่อข่าวจาเป็นอหลวงพ่อเอาเงินจุดัวปัจจัยของคุณแม่ชีแก้วหนึ่งล้านะ 1, 000, พอหลวงตาท่านสาบท่านก็ให้อีกหนึ่งล้านหลวงพ่อเอาปัจจัยของวัดอีกหนึ่งล้านอันนี้คือขุดทุนนิเท น, นะเป็นเป็นตั้งของเป็นของทุนเอาไว้เพื่อใช้จ่ายเมื่อข่าวจําเป็นหรือมีความจําเป็นเนี่ยนะหลวงพ่อได้พูดเต็มปากเต็มคับผิดไหมที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคนที่ยืนยันกันเนี่ยทั้งพ่อ อ, อนานันต์คณะกรรมการครูออร์ไทย <c oughs> ที่เป็นเล ข, ขาที่เป็น นี่เป็นผู้จดทะเบียนหลวงพ่อเนี่ยเป็นเลขาในสมัยนะหลวงตาเนี่ยเป็นประธานหลวงพ่อเนี่ยเป็นเลขาเนี่ยเลขามูลนิธิเขาก็ตั้งไปอย่างนั้นหลวงพ่อจะทํำยังไงได้ละ่ะพอต่อมาหลวงตาจุตินิพพานเขาก็ตั้งหลวงปู่บุญมีเป็นประธานเป็นพ่อเป็นพี่ชายใหญ่เขาก็ตั้งเป็นหลวงพ่อสุดใจเนี่ยเป็นเลขาแทนหน้าที่ของหลวงพ่อ หลวงพ่อก็เป็นรองประธานต่อมาหลวงพ่อเห็นว่าอื้อภาระของเรามากเ้วก็มีปัญหาอะไรเราไม่สบายใจเลยลาออกจากประธานก่อนที่จะออกจากประธานเราก็ให้หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมสมัยก่อนเพื่อนเราเป็นรองประธานเอ้ยสุธรร ม, รรมเขามาเป็นรองประธานประธานสองว่ะหลวงพ่อจะเป็นรองประธานหนึ่งก็ขอร้อง ท่านหลวงพ่อจุธรรมเข้ามาเป็นรองประธานสองกระหลวงพ่อนี่ยดึงเข้ามาเขามาเป็นรองประธานดูแลสถานีวิทยุพอหลวงพ่อออกไปเราก็เอาหลวงพ่อจุธรรมเป็นรองประธานต่อไปนี่แหละันคือมูลนิธิแต่ทีนี้มาหลวงพ่อเองก็ได้มาตั้งมูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นผูริทัตโตนนี้การทาประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาทําประโยชน์ให้กับครูบาอาจารย์ ถ้าหลวงพ่อบรายายจุดนี้ก็คงจะไม่ได้ฉันอาหารวันนี้นะแต่แตอนนี้มาตั้งมูลนิธิอีกเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลศูนย์อุดรเ น, นี่ยหลวงพ่อก็เป็นประธานทีแรกก็จะเอาชื่อหลวงตาแต่ศรัทธา ญ, ญาติโยมโลูกหลานก็บางคนก็ไม่เห็นด้วยหลวงพ่อก็เลยเอาเป็นประธานคัดตาทับไว้ก่อนก็เลยเป็นมูลนิธิ พระอาจารย์อินถวายสันตุจโกเพื่อดูแลสงอาพาธโรงพยาบาลสูงอุดรเนจากนั้นก็ได้ดูแลเวลาพระเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาพระลมหายตายจากไปก็ได้ใช้เนี่แหละจตุปัจจัยนี่แหละสงฆ์พระเวลากลับวัด เ, เวลาเวลามีความจำเป็นแต่วันนี้ทราบข่าวว่ า, าพระ พระหัวเข่าเดินไม่ได้หัวเข่าหักบอกว่าจะเปลี่ยนหัวเขา่าแต่เงินสามสิบบาทเงินสามสิบบาทใช้ได้เบิกได้เพียงห้า0มืนบาทแต่ว่าจะต้องได้ใช้เงินอีกประมาณแสนห้ามืนบาทหลวงพ่อในฐานะที่เป็นประธานมูลนิธิหลวงพ่อจะว่ายังไงจะอนุมัติไหม หลวงพ่อว่เออเอาถ้าว่ามีความจำเป็นถ้าพระเดินไม่ได้ทำไงพระก็ยังอายุไม่มากแต่ เ, เ, เป็นพระจริงนะหลวงพ่อก็อนุมัติอบอกให้คณะกรรมาการแสนห้าจ่ายไปเลยเน่แหละอันนี้นคือมูลนิธิทีตั้งขึ้นมาแล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาต่อพระพุทธศาสนานะแต่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังถ้าหลวงพ่อไม่พูด ลูกหลานคณะชาติาญาติโยมก็คงไม่เข้าใจคงไม่รู้นะมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าว่าหลวงพ่อพูดให้ฟังก็เหมือนกับหลวงพ่อกีอวดแต่ตามไม่จริงไม่อวดทีลูกหลานให้ลูกหลานสืบสอบดูถามดูก็ได้เป็นความจริงนะแล้วก็การเจ็บไข้ได้ป่วยของขอนแก่นก็เหมือนกันถ้าว่ามีความเจ็บป่วยเอาอนุมัติดูแลพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ นี่แหละอันนี้ก็คือหมู่นิธิจุกเท้ก็จําเป็นสําคัญอันนี้สรุปแล้วก็คือสาธารณประโยชน์ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาหลวงพอมุ่งหวังอะไรไม่ได้มุ่งหวังอะไรไม่อยากไม่ได้อยากจะได้หน้าได้ตาอะไรถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังนะลูกหลานก็ไม่รู้แต่ในใจของหลวงพอมีแต่ตัง้งจิตนิฐานว่าในใจสาตูเนอร์ผู้คาร์ได้ช่วยโรงพยาบาล ช่วยพัดสงด้วยช่วยคณะทัดธาญาติโยมอำนวยความสะดวกใครเจ็บใครได้ป่วยก็ได้ใช้รถที่หลวงพ่อได้ซื้อไวออ้ได้ใช้เครื่องมือแพทย์หลายหลายอยา่างทั้งเครื่องมือตาทั้งสองกล่องหามเมลงทั้งตัดผ่าตัดด้วยความถี่สูงเลือดไม่ออกมีมากมายที่อำนวยความสะดวกให้กับโรงพยาบาลแล้วก็หลวงพ่อ มีธรวมตั้งจิตอธิฐานะผู้ข้าได้ช่วยโรงพยาบาลสาธุเนอจะให้ผู้ข้าได้เข้าโรงพยาบาลถ้าถึงข่าวแล้วก็ให้ไปเร็วๆตับจบไปนะจะให้เข้าไปใส่สายพลุงพลังสอดซ้ายสอดขวาแยงจมูกว่างแยงที่ไหนต่อที่ไหนบ้างอย่าให้ได้เป็นอย่างนั้นเลยันสงฆ์ของข้าพระเจ้าที่ได้ช่วยลูกช่วยหลานช่วยครูบาอาจารย์ช่วยโลกเรื่องเครื่องมือแพทย์ ลุงพ่อมีแต่คิดเท่านั้นนะลูกหลานนะไม่ใช่ว่าจะปูทางเอยถ้าเราช่วยโรงพยาบาลแล้วถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะได้เข้าโรงพยาบาลหมอทั้งหลายจะให้จะได้รักษาดูแลหลวงพ่ออินดีๆหลวงพ่อไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะลูกหลานไม่อยากจะเข้าในโรงพยาบาลแต่ทํายังไงลนะ่ะเอแต่ก็ไม่เคยเข้าจริงๆนะไม่เคยไปนอนโรงพยาบาลเป็นตุเป็นตาอะนะ S <S <an> มีแต่ไปประเดียวประดาวไปตรวจเขาเป็นนิมวตไปตรวจเลือดกัะไปตรวจเลือดจะแต่เดี๋ยวนี้มีไตคีสลายกับคอนเลชลอนสูงนะหลวงพ่อนะหลวงพ่อกขาพยายามอยู่เขาก็บอกนะหลวงพ่อจะไปฉันอาหารที่เป็นของผัดของมันที่เป็นนั้นนั้นนะหลวงพ่อนะระมัดระวังเรื่องอาหารหลวงพ่อกออล่อวหลวงพ่อฉันอาหารอะไรบ้างครับหลวงพ่อบอกว่าฉันอาหารที่มันอร่อย ถ้ามันอร่อยหลวงพ่อก็ฉันทําไมไม่อร่อยหลวงพ่อก็ไมฉันแล้วมันเพระมันไม่อร่อยเหลวงพ่อก็ว่าอย่างนะั้แต่รักษาสุขภาพยุหลวงพ่อก็ว่าอย่างงั้นนะลูกหลานนะลูกหลวงตาของลูกหลานของลูกหลานเนะี่ยหลงพ่อจะจะมาเรียนแบบหลวงพ่อนะพวกเราต้องรักษาสุขภาพนะแต่ลงตากันรักษามันกันนั่นแหละเอแต่มันก็ลดลงอยู่บ้างนี่แหละ คือโรคประจำของหลวงพ่อใครๆก็อยากจะถามว่าหลวงพ่อมีโรคอะไรประจําร่างกายกันไงไตกิซลายกับคอเละจะรอนนัอย่างอื่นก็พอประทังพอถูพอไถเขาก็ถามว่าหลวงพ่อสบายดีหลวงพ่อก็ตอบว่าพอทนไหวหลวงพ่อก็ว่างันนะหลวงพ่อจะตอบว่าโอ้อาตมาสบายดีลูกหลานน่หลวงปู่สบายหลวงตาสบายดีลูกหลานน่หลวงพ่อพวกหลวงพ่อเองก็ไม่ กล้าพูดเต็มปากเกมเต็มปากเต็มคำใช่ไหมละ่ะเพราะมันไม่สบายเยบางทีกันอนก็ไม่สบายชั้นก็ไม่สบายเดินก็ไม่สบายพเยรพราะเหตนอะไรเพราะมันแก่เนี่ยจะให้สบายได้ยังไงเพราะมันแก่รู้อย่ว่ามันแก่ไม่แก่ได้ยังไงลูกหลานอายุเจ็ดสิบสามปีแล้วเนี่ยพอรู้แก่ตัวรู้แก่ใจเพราะนั้นรักษาพอประทังประทังไว้เท่านั้นะ เหมือนกัารรักษาเรือของเราประคองไปมันรั่วจุดไหนก็เออเอาเอาขี้ซียเอาขี้ชันมาอุดไว้พอมันรั่วไม่ไหวจริงๆริงจะทำไงเรือมันแตกฮทุกเรือทุกลำเลยถึงจะทํารีขนาดไหนก็เถอะมันแตกทุกลำนั่นแหละตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดเข้ามาจมอยู่ในทะเลไม่รู้เท่าไหร่นี้ก็เหมือนกันนะั่นแหะเราเป็นใครเราจะไม่จมเหรอ ผลนั้นให้คิดไว้ให้พวกเราเราหลวงพ่ออินนคิดแล้วลูกเดี๋ยวแต่เตือนลูกหลานอีกให้ลูกหลานคิดที่เหมือนกันชีวิตนี่น้อยนักชีวิตนี่อยู่ไม่นานอีกสักวันหนึ่งแนหะไม่รู้ว่าวันไหนความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ตายแน่ๆไม่ไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่าก่อนที่จะตายเนะี่ยเราได้ประกอบคุณงามความดีอะไรไว้บ้างได้สั่งสมบุญกุศลไว้หรือ ย, อย่าง ควรจะรักษาศีล น, นะควรจะไหว้พระนะควรจะประกอบคุณงามความดีนะสิ่งที่มันชั่วๆอย่าทำสิ่งที่มันผิดศีลห้าสรุปแล้วอถ้ามันผิดศิล้นหรือเปล่ า, ไ ม, าไม่ดีล่ะผิดศีลห้าของพระพุทธเจนะ้านิดคิดฆ่ากันคิดขโมยกันประพฤติผิดในสามีภรรยาซึ่งกันและกันโกหกต้มทุนหลอกลวงกันดื่มสุราให้ขาดสติคันชายยาฝิ่นเฮโรอีนให้ขาดสติ เมื่อขาดจิติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้จะราราบร่วงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้จะโกหกต้มถุ๋นหลอกลวงใครก็ได้คือคนชั่วก็คือคนไม่มีศีลห้าถึงเราไม่มีศีลห้าก็ถจะให้น ม, มองเอาไว้ว่าศีลห้าของพระพุทธเจ้านั้นคือบัณฑิตนักปราชญ์ถ้าเราเราปฏิบัติตามศีลห้าของพระพุทธเจ้านั่นละ่ะเราเดินตามตามหลังบัณฑิตนักปราชญนะ์ ถ้าหากว่าศีลห้าพระพุทธเจ้ารับรองรับประกันผู้ที่มีศีลห้าไม่ติดคุกไม่ติดตารางไม่เป็นคนชั่วไม่ตกอบายอีกต่างหาไม่ตกนรกมีแต่ไปสู่สวรรค์เมื่อเป็นเมื่ออยู่กับมนุษย์โลกผู้มีศีลห้าแล้วจะร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีโทษมีภัยกับผู้ใดถ้าคนไม่มีศีลห้าเนี่ยต้องระมัดระวังคนที่ไม่มีศีลห้านะ ถ้าคนมีศีลห้าแล้วรับรองได้ว่าเขาคนนั้นจะไม่เป็นคนชั่วนี่เราเป็นใครมองตนเองถงึทุกคนให้มองตนเองข้าเป็นผู้มีศีลห้าได้อย่างการที่จะทำคุณงามความดีเราควรจะนับหนึ่งจากข้าพเจ้าตัวของเราเนี่ยนะมีศีลห้าแล้วคนนั้นก็มีศีลห้าคนนี้ก็มีศีลห้าต่างคนต่างมีศีลห้านะนี่แหละศีลห้าเนี่ยจะทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุข ศีลห้าเนะี่ยเป็นศีลคุ้มครองโลกมาตั้งแต่ดึกดำบรนมาตั้งแต่โ บ, ร, บราณเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะคณะสัทธาญาณโยมลูกหลานทุกคนนะ่ะมาสู่วัดของหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ได้พูดได้กล่าวแนวความคิดมากมายหลายอย่างให้กับลูกหลานได้ยินได้ฟังอันดับแรกเรื่อง mm. กะถิ่หวัดของเราวันที่สนะิบห้าเนอะวันที่สิบห้าตุลากถินวัดป่าบ้านตาดวันที่ เจ็ดตุลานั่นแหละที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตานะจากนั้นก็หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับมูลนิธิวิทยุเสียงธรรมมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นมูลนิธิโรงพยาบาลศูอุณมีคุณประโยชน์อย่างไรที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังนะลูกหลานนะแต่สรุปแล้วก็เนีนะ ให้ทุกคนอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้มีศีลห้าศีลห้านี่ได้เป็นศีลคุ้มครองพวกเราอยู่นัสถานที่ใด เ, เราเมื่อรใจจะขาดเราระลึกถึงศีลห้าของเราเออภูกขาไม่ค่าได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ ข, มดขโมยทรัพย์ไม่ได้ประพืชปิดในกามไม่ได้โกหกต้มตุหลอกลวงใครแล้วก็ข้าไปเจ้าไม่ได้ดื่มสุราให้ขาดติตมาโดยตลอด บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงขอให้ช่วยข้าพเจ้าด้วยเทินนะบุญกุศลเหล่านั้นก็จะวิ่งเข้ามาหาช่วยเราเราออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้วมันไม่สูญนะตายแล้วเกิดอย่างคนโบราณเขาค่ยังบอกกับจะหมายหลวงพ่อเป็นเด็กเป็นโตเป็นเด็กผู้ในพรานเขาพานนกนะเขาเห็นนกเป่านะนกเป่านกเหมือนกับนกเขานะ่ะนกเปล่ามีในป่านกใน อยู่ในอยู่ในป่าเนะี่ยมันจะร้องอืดอืดนะมันจะมันร้องอืดอืดมันกินลูกไทรนะมันกินแตลนน่ลูกไสรนกนกเปานะ้ œ, าเนี่ยเวลาเขายิงเอาปืนยิงก็ตามเอาหน้ายิงก็ตามเวลามันตกลงไปมันตกลงพื้นมันจะอาเจียนออกมานะแต่นกอย่างนกทุกตัวมันจะไม่อาเจียนนะแต่นกเป้านะมันจะอาเจียนกับพื้นดินให้ให้คนได้เห็นนะ ถึงจะตกลงมาก็อาจเจียนเป็นมีแต่ลูกใส่มีแต่เม็ดใส่ทั้งหมดเต็มคนโบราณเขาบอกว่าเนี่ยนกเป้าไม่ควรจะยิงมันนะทําไมละ่ะเขาเพราะมันยิงตกลงมาเห็นไหมมันแสดงความบริสุทธิ์ของมันข่าไม่ได้เบียดเบียนใครอข่าไม่ได้กินมแมลงข้าไม่ได้กินสัตว์อื่นเลยทําไมมายิงข้าไปเจ้าข้าไปเจ้าเนี่ยมีแต่จิตใจ มีแต่กินผลไม้ลากมาไม้เวลามันตรงมันมั น, มนอาจเจียนให้คนได้เห็นอ่ออาก็มามีแต่เม็ดใส่คนเท่าคนแก่เขาพูดนะหลวงพ่อยังเป็นเด็กหลวงพ่อยังจํำยังจำได้นกเปล่า น, นกในป่าเนี่ยเวลามันถูกปืนถูกกระสุนอะไรก็ตามเวลาตกลงมาเนี่ยมันจะอาจเจียนนะหลวงพนเท่าคนแก่อยู่แถวนี้มีหรือเปล่านะ โดยมากจะถามตูข่ขาดูวะตู่ขาเนี่ยรู้จักดีถ้าตู่ขาเนี่ยคนป่าอ้าวหลวงพ่อพูดอะไรให้ฟังหลายๆอย่างลูกหลานเป็นแนวความคิดนะต่ อ, ตอ น, นื่ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรและรใ น, นิสเนอนะ